พระธรรมเทศนาจาดุกเรืองนางดวนคำผูกที่สิบสามเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยปออินสมชัยจมพูปรเรียนทาฮกประยคนักธทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงมู มัตตสัพพะวัตโตอราโตสัมมาสัมพุทธัสสราชาปุตโตเจวสุริยโยจราชาสัสานังสุตตติสาทาวดุราสปุริจาตังลาย ตั้งยิ่งใจนุมเทาอันนั่งเฝ้าฟังธรรมจุงดาจมติดต่อตามบาทขอบาลีว้วาราเจาพุทธเจวสุริโยจาราจาดังนี้เป็นต้นบัดนี้แดเตือ รา้าปุตตอันว่าราจาบุตนบาบเทาคือว่าเจ้าพิมะเสนาแลพัะญาสุริญยราชริที่อาจเหลือคนฟังโนสนตอบถอยแห่งนอนยอดซอยคุณทมโกธาดำเกิดตองในแห่งห้องหอระไทย เป็นดังไฟเอาไมร่อนร้ไข่ตั้งตัวบอกกึกกัวตั้งบาปใจกะยาปาลามีตัณหาลํำหมอกร้องเอินบอกเร็วไว อ, อโยธาในมวลโมเข้าภาพสูตจริงว่าสูจุงยิงอย่าขาดตั้งมกนาฏปืนไฟยิงเข้าไปจะใจฮือไฟไหมตั้งเมือง โยธาเรืองดาบกาจุงอยู่ธาดาฟันจ้างเมามันตัวใหญ่เือใสใสพักตูสูยาจุโดยง่ายอย่าได้ไปล่ะนี้เจ้าปุริสุริญราชกับคุณห้าวหาดพิมะเสนาก่อนน้ำโยธากาหยาบเขารผ่าเปยวฟัน เสียงเนืองดันมีกองเกิดไข่หองเวียงใจเสียงปืนไฟมกนาดังบ่กขาดเป็นสายควันไฟไหลมืดกุ้มปกหงไปบนจุมรีปนหอกดาบเต้นพระภาดาฟันจ้างเบามันร้องแซนมาเต้นเล่นดันเนืองจุมเจ้าเมืองไผ่น้อย เล่นเป็นท้อยเป็นสายตั้งยิงใจมวมลหมูเล่นสะสู่สะสนโกละหลุนอันใหญ่เกิดขึ้นไข่ปุรีกอมีหันและนะตาบัตทังประกาศเซ้นตัวศรัทธาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบา ท, ท้อยบาลีบทลังมีไปแจง ราจิงแสงเตสานาวาราจา p ุต t o p a r a อา o t e a t a nya ดังนี้เป็นตนผีเก้าเวดุราพีโคตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาเจือนักภาทารงยานส่วนราชกุ ม, มานบับใบ พี่นางดาไทยโวนคําใจอาธรรมมืดบอดบอดกิดรอดปิตาตั้งบานดาตนแม่อันอยู่แก่ห่อใจตั้งบงใยพี่น้องอันอยู่ห้องปารานําโยธาต่างต้ามาผาบดาวเมืองตนโกละหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไขเวียงใจ ย้อนไฟในเป็นเก้าจักสักเข้ามาจูบ่ออินดูไผยไตจักเดือดไม่มองผ่านสวนนอโปธิญาญยดเน้าก็หือเป่าเจ้าเมืองว่ายาได้เคืองมนไม่หือฮับพระตูไว้จูไปายแม่นสักไหลบักเต้าบ่ออาจเข้าถึงใน เจจอมใต้ตนอง์อาจอยู่ภาสัดหอจันท์พอเลึงหันจุติหันแจ้งที่กับตาหันเึกมามากเต้าวังแหวดเฝ้าใหญ่ให่เสียงปืนไฟบ่อขาดเสียงหมกนาดเหนียงนั่นกันเล่งหันไฟไหมเป่ามลใส่บัดเดียว ไฟเป็นเปลวดับบอดดังฝนตอดลองมาฝ่ายพระเจ้าไฟน้อยบอดนินทอยกำไ้บอดฟังไัยสักผู้ย้อนใจลูกกลัวตายหันสักลายแววจอดกลัวมวยหมอดเป็นผีใจบอดีสะดุงสติฟุ้งเววาเสียงเด็กขาร้องให้เสียงกองควายปุรี พ่องเล่นนีฟังเฝ้าปอลมเตาไปฟังพ่องอ่วงหลังอ่วงหน้าบ่วกว่าต่างได้พ่องอาไล่เครื่องยองพ่องได้คองกับจำส่วนเงินคำละไว้พ่องส่อใสในเหือนใจโมเฟื่อนข้าหนาดปกผาขาดหกนีเสื่องขัวดีบพอ พ่องขึ้นใจต่อมูมาเอาเจีอกมามัดลาพ่องอาปากเววาฟังกำจาบ่าดังคนใบอูไข่กำมพ่องดาดำกำเศร้าเจียลูกเก้าปาลานาบ่าบานสักผู้เล่นสะสูสซสนไปแล้วหนหลาปลอเข้าแล้วออกหลตี พ่องขัวมีหลายหลากบ่ออาจจากนีไกย้อนอะไรเรื่องใจใจปันไม่เววาขึ้นเกหาลงล่างบ้องวางจักเศร้าพ่องถือเอายันเก่าเจนป่อเทาปันข้อว่ายันนีนองคุณใหญ่กุมหมูใด้ป่อฟันพ่องก่อพันเอาใดยังเจือกเส้นใหญ่ป่อตา ว่ายั้นนีนาเอกอ่างอาจมัดจ้งางปังป้ายมัดสักหลายฮืออยู่เป็นเจือกเ้นปูเดิมอ่อนพ่องก่อนนอนหลับลี่อยู่ตามตีเฟยบังพ่อหันหลังเสียงไข่พ่องสศรสหลายตีเปืือหานันดีเก่าเกือ ข้องกึนหอดเสือยันแดงอดใจแข่งฟังเฝ้าขึ้นสู่ดาวเกหาซ้อไปมาลืมเล่าได้ผ้าเก่าเบียมันบ่อตั้นหันเสียงไขรีบเอาใส่บัดเดียวแล้วจะเรียวบอกหมู่ว่าเสื้อเจนปูนำมาจุงมเด็กขาหน่อยใหญ่คขหัวใสเนื้องนั้น พ่องหันควันอยู่ไกลว่าไฟไหมลามลายรีพันภายเล่นกว่าปากร้องว่านี่นีเจ้าปูรีไผ่ไตต่างกังไก่ลายพาการพ่องจะาหาันลำหมอกว่าสึกไปนอกพิมายอนพิมะเสนาหาเท้าลูกแห่งเต้าเมืองเราใจมัวเมาอยาบจา้า ตั้นหากาตารุนบ่หูกุณพ่อแม่คุณเท่าแก่วงสาบ่คุณนาภัยราดบ่คืดขวาดเย้าไก่นำโยธาในต่างเต้ามาภาบดาวเมืองตนโกละหุนมนไม่จริงเกิดไข่ปาราพ่องก่อจาตันเล่าว่าเป็นแต่เจ้าปุรี มีลูกหญิงดีผ่าเสร์ดงามลำเลิดนวนคำตุกนานำลายแลจริงเกิดแก่เมืองเราดังปินเต้าแต่ก่อนเจนปูมอนสอนมาว่าคนใดน่าก่อแลี้ยมีลูกแก้วเป็นสาวงามเปลงเปลาลำเลิดตุกย่อมเกิดตัวมาสามมิกาหมุนไม่ย้อนว่าใดเมียงาม สึกมาลำแวดเฝ้าย้อนว่าเจ้าปารามีราาธิดาน่อเนื้องามอาเครือเหลือคนตกตาลนเอาไม่รัวตกใส่เจ้าเมืองเขานันเนื้งก่าอูปอบงเป็นกำควันไฟดำเป็นเจ้าปุ่งขึ้นต่อเวหา เสียงดังมาบอกคาตัง้งบอกนาดปืนไฟโยธาไในต่างเตาโโง้าห่อร่องเศ้านั่นเนื่องคนในเมืองแตกเต็นบ่แะเวิน่นคนใดก็มีหันและนาะ ที่นี่จากวันน า, นาจะเล่าถึงปีเก้าสุรเมฆได้เป็นพญาสุเวทในภาษาปันธุมติปุรี <c oughs> นินข่าวมีไปรอดว่าเจ้าน้องยอตาสวาวราอันนีลาจากของเปื่อแอวต้องเบื้องไกล หลวดลงไปป่าไม้ใดตัวใสยิงรามรูปคิงงามบ่อน้อยจืดนางยอดซอยนวลคำกลางดงดำป่าเศร้าเป็นลูกเต้าเจ้าวิเตหราชาได้ปอกมาอยู่ห้องพระเตต้องวิเตหปุรีกำเหล่ามีเป็นกันจากตัดแม่นสันใด กูกวนไปเล็งพอหฮือหันต่อสายตากันพิจารณาดังนี้แล้วเต้าต้อตอนแก้วสุรเมฆก็ยกโยธาหลายหลากออกไปจากเพียงใจเพื่อจักไปหานองอันอยู่ห้องวิเตหพุรีก็มีหันและนาะ สุราจาอันวาพญสุรเมขาราชนำอามาเสนามีนำนาหลายลากออกไปจากเวียงใจเดี่ยวต่างไปจ้าใจนับอ่านใดหลายวันจริงเอากันไปรอดเวียงแก้วยอดวิเตหปุรีอันตนบุญมีหนองเนา โดยเป็นเจ้าผาปาราฮือโยธ า, ามวลหมูยังจอดอยู่แดนไก่หันควันไฟเมืดกุ้มตั้งแต่ลุ่มถึงบนเสียงรีปนโหร้องมกดาดกองนั่นหูเจ้าบุญจูสุรเมฆาราชก็คานิ่งขวาดสงสัย ว่าสันใด้ดังอีบ่เมนตีทำบาดารอยศึกมารบภาพเกินขนาบเอาเมืองเต้าบุญเรืองกิดแล้วเฮออามาตแก้วต่างตารีบ ก, ก้าดวนฮาวไปฟังข่าวเร็วพันอามาตพ่ายพันโบจ่าแล้วไหวด า, าคืนมา ขาบทุนสาน้อมไว้ว่าแม่นเักใหญ่ดีเลีคือเจ้าปุรีสุริญาราชฤทธิ์ที่อาจเหลือคนยกรีปพลหมากเต้ามาแบดเฝ้าเวียงใจ ย่อนมีใจใครใดยังแกอเก่นไทยโวนคำรีป้นนำลายหมื่นเกยรบลื่นสงครามแวดยัายลามพับจอดบ่มีรอดตั้งใดยิงปืนไฟบ่ขาดจิมกนาดเป็นสายโยทะลายเข้าภาพเกินขนาบเอาเมือง ขอพระบนเรืองเจียงเจ้าไปช่วยน้องเนาเร็วไว้บัดนี้แดดเตอเมื่อนั้นสุราเมฆาเตาไทยยินร่อนไหมเดือใจจิงเสนาในผูกกาไปไว้เจ้าฟ้าสุริญทรราช ว่าจุงยกโยธามวลหมู่ปอกเมื่อสู่เมืองลังเม่นบ่ฟังคำบอกจักถูกหอคมบางบ่มีตองรอดใดบ่เว้นไว้คนใดเสนาในรีพาไปไวเต้าสุริยราชา ขับทุนซาบอกเราหื้อเงินเก้าตามีเจ้าปุริสุริญราชโคตขนาดปานไฟว่าจักเป็นคนใดไตลาบ่อกว่านาอินพมกูบอยุมอ่อนก้อมบ่อนบน้อมยอมกัวแม่นมีตัวเต่าจ้างกูจักมั่งมันตาย แม่รีปล้นไหลกดตูกูจักฮือเมื่อม้อนกูบอร้อนเว้นไว้ฮือปอกใดขึ้นไปคุณต่างใจผู้ฉลาดฟังเต้าห้าวหาดไข่ปัน กอเรียวปันบ <K _ n ots> ่อจ้ามาไวเจ้าฟ้าสุราเมฆราจาตามกำจาหเฮาหาแห่งเต้าสุริญาชภูมิกอมีหันแลยนะเมื่อนั้นสุราเมฆเต่าไทยนินโขดรไม่นำนากอโยธามวลหมู่ยังจอดอยู่ตามใจ เจ้าซเด็ดไปไปนาถือดาบกากับตนเป่ายังมนวิเศษใดจากเขตดงนาอันพญาญักเทาได้บอกเล่าจําหมายเสกดินทรายใบไม้บังเกิดได้เป็นคนหกวิญญูณผาภาพถือหอกดาบคมบาง พอเต็มตังเตียวไตบ่อน้อยใหญ่เสมอกันเสียงเดืองนั้นมีกองยกดาบซ้องปุ่นกัวปุ่นฟุ่งมัวบดมืดไปจะจืดเป็นสาย กันผันภผยไปไกลตีทับใหนัสถูกก็เล่นเข้าจู่บ่อจ้ายกดาบกาแต่งฟันเข้าสูนกันตั้งหมู่ปอบ่อหูเป็นไผ่ดาบคมใสฟันฟาดเสียงบอกหน้าตึงตังพ่องจองหลังไหวใด้พ่องก่อไหลฟันแตทงเลือดแดงแดงหน่อยหยาด ลมละนาดเป็นสายรีป um, ้นตายกองควดังคอนให้เจ้าโดยก็มีหันแลยนาเมื่อนั้นพระญาสุริญยาราตริติที่อาจเหลือคนหันรีป้นต่างเต้ามานองนาตั้งหลัง ตาตาปังโคตรการ้องเอื้นดาผ้าภายว่าสุตั้งลายใจห ย, ยาบมาขานาบตั้งหลังบ่อถูกยั้งแบบเบารอยรียดเก่าโบราณเจือคนหานอาจการย่อมมาต่อนาฟันแตงอย่ากจะจอวดแข็งเจนกว่ากูจะฆ่าสู่ตาย หือบํบาบอยเสียงขอดบ่เห้อรอดสักคนมันเป่ามนบ่จ้าเป็นเมฆฟ้าบางวันพอบ่อหันที่แจ้งมืดจูแห่งตันตาสุราเมฆายดใหญ่ก่อแก่ได้เร็วปันเป็นลมพันปัดวาดเมฆฝ้าขาดหายไปตาวันใสสองแจง้งตัวทุกแห่งแดนดิน จอมนารินสุริญาาิหันมืดขาดจางหายโกธาลายกว่าเก่าเสกมนเป่าเรียวไวเกิดเป็นไฟอันใหญ่ลุกปู่ไมลา ม, มาสุราเมฆาบ่อจ้าเป่าขึ้นฟ้าปลายบนเกิดเป็นฝนหาใหญ่ตกลงใสกองไฟ เจ้าห่อใจสุรินาราเตจอาติงซาเสกมนมาแต่งสร้างมีหลายอย่างหลายภาการพระผู้บัี่เกาคือว่าเจ้าสุรเมคามีเตจายศใหญ่ก็แกได้จูอันอันก็มีฮันแหลนา เมื่อ น, นั่นปู่ที่ส ต, ตนอง์อาจหันอามาตคนในแล่ไผ่ไต้มวนหมูเล่นสะสู่ไปมา <c oughs> ยินขุนนาแต่ใสจริงขีจ้างใหญ่มงกลนำรีปนหลายหลากออกไปจากเพียงใจ <c oughs> เมื่อนนั่นขุนจังไรใจ้าวคือพี่บ่าวพี่มักเสนา กับพา ญ, ญาสุรินญ า, าชิสัตตากวาดเล่งหันยังหนอคุณท่านที่ไวสำโคตรไม่เลือการใส่จ้างสารตัวกามาตอนนาเรียวไว้จี้มือไปก้าวถอยว่ามึงนี่ถอยเหลือล้ายเตียงจักตายเป็นแก่นบ่ออาจเล่นพ้นี เจ้าบุญมีน้อยนอก็ต้านต่อไข่กรมว่ามึงอาธรรมใจถอยปาไผ่น้อยมาตายมึงเตียงว่ำวายมวยหมอดนี้บอรอดสันเดียวมึงจุงเร็วอย่าจะมาต่อตาตนกู้คนเขี้ยวหมูป้นปากพิษเสียจากแนวค้นตันหาล้นบูร้อนกูบ่ฮอนจักลัว จังตัดหัวเสียบไม่เฮอไั่ไตเล้งหันเฮอคนนั้นเหล่าเศ้าไปตัวดาวปฐวีว่าคนบ่ดีถอยไร่เตียนย่อมได้ตายหงคนตั้งคงได้พอจักคึดต่อหันไร่ก่อจังละอายกวัวบาป บก่กะหยาบเหมือนมึงกันก็ถึงคนิ่งรอดก่อจักละตปาปะกํบกาบ่กะตั้มบ า, กาบกะบ่หยาบจ้าปาลาปันดังพีมะเสนาปีไทยขออย่าโคตไม่เรร้นจุงเอาตนละภาคออกไปจากเสียไก่กันปีเป็นใจกับเต้าผู้หัดเท้าปาลา ปี่กอจากมราณาก า, กาศชีวิตขาดเป็นผีเจ้าปุริจูผู้เขาหากหัวตังเมืองว่ากำกัขี่เครื่องร่อนใมเกิดขึ้นไข่ปารา้อนพิมเสนาพี่บ่าวหากน้องเน่าน้ำตาง คนอือข้างร่อนใมย้อนปีไทยปามีปี่จุงรีบหนีลีนากันอยู่เนินจ้าจักตายพ่ยาจังลยนาะเหมือนนันสุริยราชปาละกัพีมาเสนาคุณใหญ่นิ้นโคตไไม่เลือการใสจ้างสารเข้าต่อยกดาับหล่อฟันแตง เจ้าจอมแปลงตนองค์อาจก่อนยกดาบาดฟันไปใส่จางใจเขาง้างจ้างต่อจ้างพระจนคนต่อคนฟันฟาดเสียงบิดวาดวิวาจุมโยธามวนหมู่ลวดยั่งยู่ไผมันบ่อแต่งฟันคําคายืนเป็นตาเล็งดู จ้างเจ้าบุญจูน้อยหน่อเขาจนต่อเรียวปันจนพัดพันหวัดไหวตั้งปลายายและขวาจัางพระญาสุริญาราชขอเฮาหาดเมาหมันสองงายันงัดง้างจ้างต่อจ้างจนกันฝุ่นเป็นควันฟุง้งไข่คนอยู่ไกลเล่นหนีหนอมูนีเอกอ่างใดตกจ้างปลายาน เต้าใจหานสุริยญาตกับคุณฮาวหาดพิมาเสนาะก่อเต้นลงมาจากจางยกดาบง้างดาฟันเจ้าก็เรียวปันลุกใดแกว่งดาบไข่ผัดมนคุณสองคนใจฮาวต่อหนึ่งเต้าใจหันถือดาบเจียงคานดาบแก้วเขาว้าต่อแล้วแต่งฟันก็มีหั น, นและนะ โซปานาสุรเมฆาราชาส่วนเจ้าสุรเมฆหันพญาสุริญาตาิกับขุนเฮาหาดพีมะเซนาออกันมาแวกไกฮหบลองไทยคนเดียวเจ้าก็เร็วไว้ว่องเขาจวยน้องบุญมีดาบคมดีเข้าฟาดกับขุนเฮาหาดพีมะเซนา ดาบมเจาะถูกตองเสียงทิ้งทองปูนกวัวละหืตัวนองเนาฮบกับเจ้าสุริย์ษราชาฝ่ายโยธามวลหมูลวดหลังดูตัวจอมเขาหอบหอมจวยเจ้าเสียงอดเอาดันเนื่องไปในเมืองยิงออกฝ่ายไปนอกยิงไปเสียงปืนไฟบ่กขาดเสียงมกนาดเป็นสาย รีปลนไาลอาจกาเข้าต่อตาแต่งฟันหอกกำยันไปนาดาบวัดกว่าไปหลังหอร้องดังสาเศร้าพองลมเต้ามารณา จุมอยอธ า, าสองฝ่ายบอกไปพระนีพงทุลีมามุ่งเป็นควันฟุ้งบังบนบ่อหันหนเป็นแจ้งพอจู้แห่งตันตาเลยนะสว่วนพิมะเสนาอาจการรบกับเจ้าฟาสุราเมฆารบกันมาเนินจ้าบ่ออาจฆ่าฟันแตง บ่ออาจแฝงเข้าไกลมันโคตรไม่ปานผีแรงมันมีเต่าจ้างก่อขึ้นอ้างใจหม่ว่าจักพันภัยเข้าไกลวันกอดได้หักอคอกำยกยอฟัดฝาดฮือมรณาเรี่ยวปั้นตัวแห่งมันบอูว่าเจ้ากินกูสุระเมฆามีแรงนำนาอาจอ้าง เต้าสาวจ้างปายสารอันคุณมานยักษ์ใหญ่หากสอนไว้เดิมมาพีมังเสนาบ่อูเต้ากึด อ, อยู่ในใจว่าจักเรียวไวเข้าไกวันกอดได้บิดคอกำแข่งย้อนยกฝาดคือจีวิตขาดมาราณา มันแสงจากเกาถอยวาดูราใจถอยกะนี้แม่นบึงดีเตียงแต่จุงเอาแต่มือได้กูก่อใจเรื่องราบจักขว้างดาบเสียไก่มึงจุงไว้มาสูรบภาพสู้มือได้เต้าบุนภายสุรเมฆราดบ่คืดขวาดเหย้าไก่ขว้างดับไปต่อหน้า เขาต่อตาเร็วปันสองคนวันกอดเกี่ยวลบหลีกเกี่ยวเร็วไว้เจ้าหอใจสุรเมฆาชยกใหญ่าบาทไปมาพีมะเสนาเต้นใส่เขากอดได้บัดเดียวแล้วรีบเร็วไว้วาดกำแข่งฝาดจูดินคนได้ยินทั่วดาวขุนหัดเท้าพีมะเสนา ผูปาลาอยาบจ้าก่อความนาเมื่อมอนกอมีหันแลยนาอันว่าพิมะเสนาอาจกาได้ความนาเป็นพียาตาและมียามได้ดังอันตาตาในกาละยามนั่นใส เจ้าบุญใหญ่าตาสะวาราผู้มีบุญนามากว้างก่อได้มั่งแต่งฟันอย่างเจ้าหอจันทร์สุริญทรราชีวิศขาดกังหนจุมรีปนมวนมูลวดบอยู่พระนีละขอนพีขวางไว้ดังขอนให้เจ้าโดยก็มีหันและนา กันขุนห้าวหาดพิม า, าเสนากับพาาสุริญยาราชีวิขาดเสียตนจุงมรี้ น, น้อยใหญ่อันต้าไทยสุรเมคาเศกธาแต่งสร้างก็ลวดเปาว่างกับกายเป็นดินทรายใบไมเ้เฮียกองไข้ดังอ่อนก็มีวันนั้นแหละนะ เนติที่ตังกีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุนางดวนคำผูกสิบสามก่อบังกลมสมเร็จเสร็จแล้วเต่นนี้ก่อนแล